บทที่หปรมมราณาหลังจะตายเมื่อพูดกันถึงเรื่องโลกทิพย์หรือชาติหน้าก็มักมีคำถามอีกข้อหนึ่งซึ่งมักจะมีผู้สงสัยกันอยู่บ่อยๆคือว่าวิญญาณที่ออกจากร่างไปเมื่อกายแตกในระยะแรกๆนั้นจะมีความรู้สึกเป็นอย่างไรเท่าที่ได้ฟังคำตอบมาจากผู้ที่ควรจะรู้เรื่องนี้ดี และผู้ที่ได้รับคำยกย่องว่ามีความรู้เรื่องนี้ดีหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารมากทำให้เกิดความคิดว่าการรู้น้อยนี้เป็นภัยมากอยู่เหมือนกันในเมื่อผู้รู้หลงผิดคิดว่าตนรู้มากหรือในเมื่อได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นว่าเป็นผู้รู้มากคนโดยมากเข้าใจกันแต่เพียงว่าเมื่อกายแตก วิญญาณก็ออกจากร่างกายไปแล้วก็เข้าสู่โลกใหม่ที่เป็นดินแดนแปลกประหลาดลึกลับและมหัศจรรย์และนอกจากนั้นก็เข้าใจกันว่าเมื่อตายไปแล้วก็จะได้พบกับบุคคลที่เคยรักใคร่ชอบพอกันมาแต่เดิมในโลกมนุษย์แล้วก็จะได้อยู่ร่วมกันใหม่จริงอยู่ความเชื่อดังกล่าวนั้นอาจเป็นไปได้บ้างแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากซึ่งเราจะยังคิดไม่ถึงเลย ในขณะหลังจากที่วิญญาณละกายเนื้อนี้ไปต่อจากนี้จะได้บรรยายถึงสภาวะของจิตใจก่อนที่จะละกายเนื้อนี้ไปและแล้วก็หลังจากที่ละกายเนื้อนี้ไปด้วยบุคคลที่กําลังจะย่างเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าความตายคือสภาวะที่เป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างภูมิแห่งความเป็นอยู่อันสําคัญทั้งสองนี้จะเริ่มรู้สึกว่าประสาสัมผัสของเขา ค่อยๆหมดความสามารถในการทำงานตามปกติของมันไปทีละเล็กละน้อยความสามารถในการเห็นการได้ยินตลอดจนถึงความรู้สึกต่างๆค่อยๆจางหายไปและสิ่งที่สมมุติเรียกว่าชีวิตของมนุษย์ผู้นั้นก็จะมีลักษณะเหมือนเปลวเทียนที่กำลังลุกวอมแวมจะดับหรือมิดับแหลนี่เป็นลักษณะอีกแบบหนึ่งในหลายแบบที่จะปรากฏขึ้นแก่บุคคล ผู้ที่กําลังจะตายในบางรายแต่บางรายก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปอีกแบบหนึง่งคือในขณะที่ประสาทสัมผัสทางกายกําลังเสื่อมสมรรถภาพลงเป็นลําดับนั้นประสาทสัมผัสทางวิญญาณก็จะกลับแจำสายยิ่งขึ้นทุกทีดังนั้นการที่บุคคลผู้กําลังจะถึงแก่ความตายได้เห็นหรือรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นณสถานที่อีกแห่งหนึ่ง หรือในห้องอื่นๆนั้นจึงเป็นเรื่องที่เกิดมีขึ้นได้บ่อยๆเหมือนกันดังนั้นความสามารถในการมีตาทิพในลักษณะที่กล่าวมานี้จึงปรากฏว่าเกิดมีขึ้นแก่ผู้ที่กำลังจะตายมากรายด้วยกันและนอกจากนั้นในบางรายยังแถมมีหูทิพอีกด้วยคือสามารถได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นในที่อื่นในระยะไกลออกไปก็ได้ พร้อมๆกับที่สามารถเห็นภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะไกลนั้นความสามารถของผู้ที่กำลังจะตายในลักษณะเช่นนี้มีบันทึกไว้เป็นจำนวนไม่น้อยในแฟ้มของสมาคมค้นคว้าทางวิญญาณซึ่งแน่ละในรายที่ไม่ได้บันทึกไว้อย่างเป็นหลักฐานคือในส่วนที่เป็นที่รู้กันในวงสมาชิกในครอบครัวนั้นย่อมจะต้องมีจำนวนมากกว่านั้นอีกมากมาย ในรายดังกล่าวนี้ก็มีการแสดงออกในทํานองเดียวกันคือจะมีผู้ที่อยู่ในที่ไกลได้เห็นร่างของผู้ที่กำลังจะตายไปปรากฏให้ตนเห็นได้และนอกจากนั้นในบางกรณีก็ยังสามารถพูดจา ก, กันรู้เรื่องได้อีกด้วยเมื่อได้เปรียบเทียบดูเวลากันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะพบว่าส่วนมากทีเดียวที่ร่างของบุคคลที่ตายนั้น จะไปปรากฏให้ผู้ที่อยู่ในที่ไกลได้เห็นก่อนที่เขาจะตายเล็กน้อยมากกว่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้ตายแล้วมีบ้างเหมือนกันที่ในบางรายความบ่วงใหญ่อันรุนแรงของผู้ที่กําลังจะตายทําให้การทิพของเขาไปปรากฏขึ้นให้ผู้ที่อยู่ในที่ไกลได้พบเห็นในทันทีที่เขาได้ตายแล้วคือหลังจากตายแล้วเป็นแต่ว่า เรื่องเช่นนี้รู้สึกว่าจะมีน้อยรายกว่าผู้ที่ไปปรากฏตัวก่อนตายเล็กน้อยเพราะในระหว่างนั้นกระแสจิตของผู้ที่กำลังจะตายจะมีความแรงกล้ามากนอกจากนั้นก็ยังมีบางรายอีกเหมือนกันที่ผู้ที่กำลังจะตายจะได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นที่รักซึ่งได้ตายไปก่อนแล้วมาปรากฏให้เห็นเฉพาะหน้า อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้ที่ได้ตายไปก่อนแล้วนั้นจะมาปรากฏในที่นั้นจริงๆเสมอไปทุกกรณีทั้งนี้ก็โดยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั่นเองคือว่าในสภาวะอันเป็นทิพย์สถานที่หรืออวกาศหรือความใกล้และไกลเกี่ยวกับสถานที่ย่อมไม่มีความหมายอย่างใดดังนั้นเมื่อกระแสจิตของบุคคลสองคนสามารถปรับให้เข้ากันได้แล้ว การมาปรากฏการในที่ใกล้เคียงก็ดูจะไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดกล่าวอีกในาย่าหนึ่งก็คือวิญญาณหรือกายทิพของบุคคลสองคนอาจจะอยู่ไกลกันมากก็ได้ในเมื่อคิดเทียบระยะทางในอวกาศแต่เขาก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับมาอยู่ในที่ใกล้กันได้เป็นอย่างดีถ้าหากว่ากระแสจิตของทั้งสองฝ่ายมีระดับหรือความสันสะเทือนเช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เรื่องเช่นนี้อาจเป็นของยากที่จะเห็นตามได้สำหรับผู้ที่อยู่ในโลกแห่งอวกาศซึ่งความใกลและความไกลของสถานที่จะต้องมีความหมายอย่างมากเสมอการติดต่อทางจิตก็เป็นอีก ต, ตัวอย่างหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นความจริงในเรื่องการข้ามพ้นอวกาศของโลกแห่งวัต ถ, ถุได้ดียิ่งขึ้นจากความจริงในเรื่องการติดต่อกันด้วยจิตนี้เอง เราจะเห็นว่าบุคคลสองคนแม้จะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ยังสามารถติดต่อกันทางจิตได้ในเมื่อเขาได้เคยฝึกหัดหรือรู้วิธีการมาก่อนเรื่องที่กล่าวมานี้เป็นไปได้สำหรับบุคคลผู้ที่ยังอยู่ในโลกนี้ชั้นใดการที่บุคคลผู้กำลังจะตายสามารถเห็นบุคคลที่ตนรักที่ตายไปก่อนนานแล้วก็ย่อมเป็นไปได้ฉั้นนั้นทั้งๆ ท, ที่อีกฝ่ายหนึ่ง อาจจะไม่ได้มาอยู่หน้าที่ใกล้คนที่กำลังจะตายนั้นเลยดังนั้นการที่บุคคลผู้กำลังจะตายได้เห็นผู้ที่ตนรักใครมาปรากฏอยู่เฉพาะหน้าจึงเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความปลาบลื้มแก่เขาเป็นอย่างยิ่งอย่างน้อยก็เป็นเรื่องทำให้เกิดความอุ่นใจได้อย่างหนึ่งว่าความตายนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากลัวดังที่คิดฝันกันไว้เสมอไปเลย แล้วเรื่องที่พูเท่าผู้แก่เล่าสื บ, สบต่อกันมาก็มีส่วนเป็นความจริงได้แม้จะไม่ทุกรายไปด้วยประการชนนี้ในระยะนี้กายทิพย์ของบุคคลผู้กำลังจะตายจะ ค, ค่อยๆแยกตัวเองออกจากกายเนื้อกายทิพย์นี้ท่านผู้อ่านคงจะทราบแล้วว่ามีลักษณะเป็นเหมือนกับกายเนื้อนั่นเอง ในระหว่างที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่กายทั้งสองก็อาศัยเป็นไปอยู่ในกายเนื้อนั้นตลอดเวลาในกรณีของบุคคลส่วนมากกายทิพนี้เมื่อละกายเนื้อไปแล้วก็จะเป็นเครื่องห่อหุ้มวิญญาณหรือโซลอยู่ชั่วระยะหนึ่งอันที่จริงกายทิพนี้ก็มีสภาวะเป็นวัตถุอย่างหนึ่งเหมือนกันเป็นแต่ว่าเป็นวัตถุที่ละเอียดมาก จนกระทั่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทำขึ้นสำหรับจับวัตถุที่หยาบๆนั้นไม่สามารถจะจับหรือพิสูจน์วัตถุที่ละเอียดเช่นกายทิพย์ได้เมื่อถึงวาระสุดท้ายที่กายเนื้อจะต้องแตกสลายไปจริงๆกายทิพย์ก็จะหลุดออกมาจากกายเนื้อและมีสายใยบางๆที่ทำด้วยวัตถุอันเป็นทิพย์เช่นเดียวกันผูกโยงให้ติดอยู่กับกายเนื้อชั่วขณะหนึ่งแต่ในที่สุดสายใ ย, ยนี้ก็ขาด และกายทิพย์ก็ลอยออกไปโดยมีวิญญาณคือโซ่แฟงอยู่ภายในด้วยอย่างไรก็ตามขอให้ท่านระลึกไว้ว่ากายทิพย์ดังกล่าวนี้ก็ยังไม่ใช่ตัววิญญาณที่แท้จริงเช่นเดียวกับที่กายเนื้อที่แตกดับไปแล้วนั้นก็ไม่ใช่ตัววิญญาณที่แท้จริงเหมือนกันกายทั้งสองคือกายเนื้อและกายทิพย์ ต่างก็เป็นเรื่องห่อหุ้มปกคลุมวิญญาณคือโซลไว้เพียงชั่วคราวเท่านั้นวิญญาณที่แตละกายเนื้อออกไปแล้วโดวยมาอยู่ในกายทิพย์เช่นนี้ในตอนนี้จะอย่างลงสู่ความหลับอย่างสนิทชนิดที่เทียบกันได้กับสภาวะที่ทางแพทย์เรียกว่าโคม่าหรือสภาวะของเด็กที่ยังเติบโตอยู่ในคันของมารดาฉะนั้นระยะเวลาดังกล่าวนี้ จะกล่าวได้ ว, ว่าเป็นระยะที่เตรียมไว้สําหรับเกิดมาต้อนรับชีวิตใหม่ในโลกทิพย์นั่นเองและดังนั้นจึงต้องการเวลาบ้างตามสมควรสําหรับที่จะให้วิญญาณ น, นั้นปรับตัวให้เข้ากันกับสภาวะใหม่และฟื้นฟูพละกกำลังที่เสียไปให้กลับคืนมาด้วยธรรมชาติมีอะไรเหมือนกันพอจะเทียบกันได้หลายอย่างเช่นนี้เอง ในด้านโลกแห่งวัตถุและโลกอันเป็นทิพย์ดังเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าก่อนการเกิดมามีชีวิตใหม่จากโลกหนึ่งสู่อีกโลกหนึ่งนั้นก็จะมีระยะของจิตที่เปรียบเสมือนสภาวะโคมา่าคือจิตตกผวังอย่างเต็มที่ไม่รับรู้อารมณ์หรือเครื่องร้าภายนอกเลยนำมาก่อนเสมอในระหว่างการหลับเพื่อพักฟื้นขึ้นสู่ชีวิตใหม่นี้ วิญญาณก็อาศัยอยู่ในร่างทิพย์ซึ่งทาหน้าที่เป็นเครื่องคุ้มครองในทา น, นองเดียวกันกับทิขันของมารดาย่อมเป็นเครื่องคุ้มครองทารกที่จะเกิดมาสู่โลกมนุษย์ฉะนนั้นการหลับของวิญญาณสำหรับคำว่าวิญญาณ ในความหมายอันเคร่งครัดตามหลักพุทธศาสนานั้นขอให้เว้นไว้ก่อนนะครับในที่นี้ขอให้เข้าใจตามไนยะที่ท่านต้องการสื่อถึงในแง่มุมนี้ไปก่อนนะครับก่อนที่จะอธิบายต่อไปสมควรจะได้พิจารณาถึงลักษณะาบางประการของวิญญาณในระหว่างสภาวะหลับหรือตกภวังอีกเล็กน้อยโดยปกติ วิญญาณในระยะนี้จะหลับอย่างสนิทไม่ได้ถูกรบกวนจากอารมณ์ภายนอกเลยแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่สองประการซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นความฝันของวิญญาณที่หลับอยู่นั้นความฝันนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือ 1. ความปรารถนาอันแรงกล้าที่ฝังอยู่ในใจของผู้กำลังจะตายอย่างรุนแรงเช่นความรักความเกลียด หรือความห่วงใยในกิจการและหน้าที่ที่ตนยังทำไม่เสร็จละสองความปรารถนาอันแรงกล้าในทานองเดียวกันของญาติมิตรของผู้ที่กำลังจะตายซึ่งกลายเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดวงวิญญาณที่กำลังจะละกายเนื้อไปโดยเฉพาะในกรณีที่วิญญาณ น, นั้นสามารถรับรู้ความปรารถนาอันแรงกล้าของผู้ที่อยู่เบื้องหลังได้เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ทำให้วิญญาณนั้นเกิดความพวักพวนอย่างรุนแรงสาเหตุที่กล่าวมาแล้วนี้จะเป็นเพียงประการหนึ่งประการใดหรือทั้งสองประการก็ตามย่อมทำให้เกิดความกระวนกระวายอย่างรุนแรงแก่วิญญาณที่กำลังจะจากโลกนี้ไปและในที่สุดก็ทำให้จากไปไม่ได้ต้องถูกแรงดึงดูดดังกล่าวบังคับให้ถอยหลังกลับมายังสถานที่เดิมในโลกมนุษย์นั่นเอง ทังๆั้ที่ได้ออกจากร่างคือขาดจากกายเนื้อไปแล้วเพราะ ก, กายเนื้อนั้นได้ถึงแก่ความตายไปแล้วการที่วิญญาณถูกแรงดึงดูดให้กลับมาโดยไม่สามารถจะไปสู่ภูมิอันเป็นทิพย์ตามกรรมของตนได้นี้มีลักษณะ ส, สองประการคือบางครั้งก็เป็นแบบคล้ายๆกับฝันไปหรือในบางกรณีซึ่งมีไม่มากนะักก็เป็นทานองคล้ายๆกับการละเมอ ของบุคคลในโลกมนุษย์ฉะนั้นในกรณีใดก็ตามสภาวะดังกล่าวแล้วเป็นเรื่องที่น่าเศร้า อ, อย่างยิ่งและไม่ควรจะให้บังเกิดขึ้นได้เพราะเป็นการรบกวนทรมานวิญญาณโดยไม่สมควรและทำให้วิญญาณนั้นๆไม่สามารถไปเกิดใหม่ตามกำลังแห่งบุญหรือกรรมของตนได้ ในกรณีของบุคคลที่จากโลกมนุษย์ไปสู่โลกทิพย์ด้วยจิตที่สงบเยือกเย็นนั้นเขาจะไม่ได้ถูกรบกวนในระหว่างการหลับหรือการที่จิตตกภวังเพื่อพักฟื้นเลยแต่เขาจะหลับอย่างสนิทโดยไม่มีการฝันหรือละเมอและจะได้รับการเตรียมตัวเพื่อผ่านเข้าสู่ภูมิใหม่อย่างเป็นปกติธรรมดาเหมือนกับการที่ดอกไม้ตูมได้คลี่คลายขยายกลีบของมันบานออกเต็มที่ตามธรรมชาติชนั้น แต่ถ้าบุคคลใดมีอารมณ์ค้างอยู่มากมายจนบังคับใจไม่ได้คือมีความปรารถนาห่วงใยในโลกมนุษย์หรือมีความรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรงตลอดจนถึงมีความรักและกังวลถึงความเป็นอยู่ของผู้ที่อยู่ข้างหลังก็ดีเขาจะได้รับการทรมานอย่างน่าสงสารเพราะในระหว่างการหลับเพื่อพักปืนในโลกทิพนั้นเขาจะมีอาการสะดุ้งผวาหรือไม่ ก็หลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดเวลาในกรณีเช่นนี้มักมีความพยายามเกิดขึ้นโดยที่เจ้าตัวก็ไม่รู้สึกตัวคือพยายามที่จะไปปรากฏร่างให้บุคคลในโลกมนุษย์เห็นจนได้หรือไม่ก็พยายามที่จะหาทางติดต่อกับญาติมิตรในทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอเวรายที่มีอาการรุนแรงก็จะเกิดอาการดังที่กล่าวแล้ว คือมีอาการคล้ายกับฝันหรือละเมอประกอบด้วยพร้อมกันนั้นวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้ก็อาจจะกลับไปสถานที่ที่ตนต้องการจะไปในโลกมนุษย์และเมื่อในบางครั้งมีมนุษย์บางคนได้เห็นร่างนั้นเข้าจริงๆก็จะสังเกตได้ว่าเป็นร่างที่ไม่มีสติสมบูรณ์คืออยู่ในสภาวะครึ่งหลับเครึ่งตื่นคาเล่าลือที่ว่า มีผู้เห็นปีาศาจของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาปรากฏตัวในบางแห่งนั้นส่วนหนึ่งก็อาจมาจากสาเหตุนี้ด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อการล่วงไปนานๆเข้าวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านี้ก็ทนต่อความเหนื่อยอ่อนไม่ไหวในที่สุดก็จะยังลงสู่ความหลับจนได้การที่ญาติพี่น้องที่อยู่ข้างหลังส่งความคิดถึง อย่างรุนแรงไปยังผู้ที่โล่งลับไปแล้วก็เป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งได้เหมือนกันของข่าวลือที่ว่ามีผีปีาศาจมาปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นๆและดังนั้นจะเห็นได้ว่าบุคคลผู้เป็นที่รักของผู้ล่งลับไปแล้วและผู้ที่มีจิตใจหวังดีต่อผู้นั้นเป็นอย่างยิ่งก็ได้กลายเป็นผู้ก่อความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้ที่ตนรักและหวังดีโดยไม่รู้ตัว เพราะทำให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วบางคนที่ทนต่อแรงดึงดูดของความคิดไม่ได้ต้องได้รับความกระสับกระส่ายและทรมานอยู่เป็นเวลานา น, านโดยไม่จำเป็นเลยผู้ที่ตรหนักถึงความจริงข้อนี้แล้วจึงไม่ควรก่อความทุกข์ให้แก่ผู้เป็นที่รักของตนซึ่งล่วงลับไปแล้วเลย